นั้นะแต่สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมองดูมองดูในการถ้าหากว่ามันไม่ร้ายแรงจนเกินไปไม่ร้ายแรงจนเกินไปถ้าจะทำคดเท่านั้นถ้าจับไปแล้วก็ไปขังคุกก็เสียเงินภาษีพี่น้องประชาชนไปเลี้ยงคนในคุกอีก <c oughs> เสียหลายต่ออีกพอยุ่นยวนก็เอายวน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 เตือนเท่าไรก็ไม่รู้จักจบว่าตัวเองถูกอยู่ตลอดแต่ตามจริงมันน่าจะมองเหตุที่เขาเตือนเพราะอะไรการที่เราทําออกมาเน้มันผิดตรงไหนค้นคว้าศึกษาดูใช่ที่ทาถูกนะเจตนาของเราดีแต่ว่าการกระทําของเราเนะี่ยไม่ดีเมื่อการกระทําของเราไม่ดีเขาตํหนิเาตหนิการกระทาของเรา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 มันมาจากหนึ่งนะหนึ่งนงมันเป็นบนทินเพราะในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อพูดให้ฟังน็คือสรุปแล้วคือหลักธรรมคือหลักเหตุผลเหมือนกันนะลูกหลานนะคณะจรัดรทา ย, ยาทโยมะหลักเหตุผลคือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าเคยกล่าวไม่ทำให้ตนเองตนเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อน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 ชาติยานของมนุษย์การแก่งแย่งกันพอมันมากแต่พอมันน้อยรักกันนะคนเราทํามันน้อยคนนักรักกันลนะพอยไหรเพราะกลัวผีเดอกกลัวผีหมะเลยถ้ากลัวเขาจะไปจากเราเนะ่ะโอ้ตายไม่อยากจะให้เขาไปเพราะกลัวผีนะแต่หลายหลายคนขึ้นมาเนะี่ยเอ้ไม่รู้กันแหนกันแหนไม่รู้